ที่วัดป่าสุกโตเราเริ่มกิจวัตรประจำวันตั้งแต่ตีสามตีสี่กิจส่วนตัวก็ล้างหน้าแปรงฟันแต่กิจส่วนรวมนะเราก็มาทำวัดสดมนแล้วก็ฟังธรรมอาจาอยู่ที่ ในเมืองหรืออยู่ที่บ้านเราก็อาจจะทำพออาน้ำแปลงฟันเสร็จก็อาจจะเปิดข่าวฟังข่าวอ่านหนังสือพิมพ์ก็อาจจะเห็นหรือรับรู้แต่สิ่งที่ไม่ค่อยอเป็นกุศลเท่าไหร่หรือว่าทำให้เกิดความเครียดบางทีก็ทำให้เกิดความโกรธ จิตใจหมุนหมองวิตกกังวลแต่ที่นี่เราอยากจะให้เริ่มต้นเช้าวันใหม่นะด้วยการทำสิ่งที่เป็นกุศลทำสิ่งที่เป็นมงคลก็คือมาทำวัดกันอย่างพร้อมเพรียงให้จิตใจน้อมนึกถึงสิ่งที่ดีงามคือพระตนตรยัยจะได้มีกำลังใจ ในการที่จะทำความดีแล้วก็มีความรู้สึกช่มชื่นเบิกบานนย่นอยาให้เราเริ่มต้นเช้าวันใหม่ในลักษณะ น, นี้เพราะถ้าเราเริ่มต้นด้วยดีเวลาที่เหลือในวันนั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นไปด้วยดีมากขึ้น จะเรียกว่าเป็นการชาระใจให้สะอาดก็ได้เราชาระหน้าตาเราชาระร่างกายให้สะอาดแล้วแต่ก็มักจะลืมที่จะชาระใจให้สะอาดบางคนก็ล้างหน้าล้างตาเสร็จก็ไปฟังข่าวที่ทำให้จิตใจกับหมนหมองแล้วก็ บางทีเป็นอกุศลด้วยนะกายสะอาดหน้าสะอาดแต่ว่าใจนี้หม่นหมองแล้วก็ จ, จะทำให้ชีวิตทั้งวันเป็นไปในทางที่ไม่ดีมีครอบครัวหนึ่งนะก็ทงอย่าตื่นเช้าขึ้นมาก็อาจจะทำอย่างที่ว่านี่แหละ ล้างหน้าแปรงฟันคนที่เป็นพ่อนะั้นล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วก็เปิดข่าวเจอข่าวบางข่าวที่ทำให้หงุดหงิดไม่สบายใจเสร็จแล้วพอเวลากินข้าวก็กินข้าวกันพร้อมหน้านะบ้านนี้ดีประกอบว่าลูกสาว ทำแก้วแตกนะมันก็เลอะนะพ่อนี่ก็เนื่องจากมีความคุ้นเคืองอยู่นิดนิดนะจากการฟังข่าวพอมาเจอเหตุการณ์ก็เลยโกรธด่าว่าลูกนะที่จริงลูกก็ไม่ได้ทําอะไรผิดมากนะแต่ว่าพ่อนี่ก็อาจจะเป็นคนเคร่งครัดอยู่แล้วเรื่องนะความมีระเบียบวินัย ลูกซุ่มซ่ามพ่อก็เลยด่าลูกก็ร้องไห้แม่นี้ก็เลยต่อว่าพ่อว่าพูดลุนแรงไปพ่อก็เลยเถียงแม่ทะเลาะ ก, กับแม่ก็ทะเลาะ ก, กันอยู่สักพักนะลูกก็ร้องไห้อยู่ก็เรียกว่าเช้าวันนั้นเริ่มต้นไม่ดีเลย เสร็จแล้วก็เถียง ก, กันไปทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาก็กาว่ามันจวนจะได้เวลานะหรือมันเลยเวลาที่ต้องออกไปทํางานส่งลูกไปที่โรงเรียนแล้วก็เลยให้ลูกเนี่ยก็เลยรีบขึ้นไปนะตัวพ่อนี่ก็ลีกขึ้นไปเอากระเป๋าเอกสารต่างๆเพื่อที่เตรียมไปทํางานเนื่องจาก ออกจากบ้านนี่เช้ากว่าปกติเพราะทะเละมีปากเสียงกันก็ทำให้รถติดนะพอรถติดแล้วก็เลยยิ่งมีเข้าไปใหญ่บอกว่าส่งลูกก็ลูกก็ไปสายนะส่งลูกเสร็จก็ตัวก็ขับรถไปทำงานไปถึงที่ทำงานก็เกือบนะก็ไปสายเพราะว่าเขามีประชุมกันและที่แย่น็นคือว่า เป็นการประชุมที่สําคัญแต่ว่าก็ดันลืมเอกสารบางอย่างไว้ที่บ้านเพราะว่าตอนตอนเก็บกระตอนเก็บข้าวเก็บของนะเก็บกระเป๋าเอกสารมาทํางานนี่มันลืมเอกสารนึงเอาไว้ลืมเอกสา ร, าสารแผ่นนึงเอาไว้ด้วยความสุขละหุเมื่อลืมเอกสารสําคัญก็เลยประชุมมันก็เลยประชุมได้ไม่ดีเท่าไหร่นะ หดหดมากนะยิ่งหดหนีดเข้าไปใหญ่วันนั้นทั้งวันก็เลยหัวเสียกลับมาบ้านกลางทางเกิดรถติงหดหนีขึ้นมาขับรถมีรถอ่าไม่มีความตั้งใจด้วยความอารมณ์เสียก็ทําให้รถเฉียวนะรถเฉียวกันก็เลยต้องเสียเวลานะมาเคลม เรียประกันรต่างๆก็เป็นว่าวันนั้นทั้งวันนี้แย่หมดเลยนะวันนั้นทั้งวันเนี่ยเสียงานหมดนะรถก็มีรอยขีดข่วนมีอุบัติเหตุขึ้นมันก็มันก็เริ่มต้นจากนะจากตอนเช้าตรู่ที่อ่านข่าวแล้วเกิดความหมงุดหงิดมันก็จะเป็นข่าว อาจจะเป็นความเงียบเล็ก ๆ, ๆน้อยๆ น, นะแต่พอมีเรื่องกระทบเข้าไปเรื่องลูกทำแก้วตกแตกนะก็เลยเริ่มจะบานปลายเข้าไปใหญ่เห็นไ่มมันส่งมันส่งผลกระทบเป็นทอดๆเลยนะนะพอทะเลาะ ก, กับพอว่าลูกแม่ก็เถียงนะกับพ่อแทนพ่อรีบกลับไป พอไปเอากระเป๋าเอกสารก็ลืมเอกสารสําคัญเอาไว้การประชุมวันนั้นก็เลยแย่งานก็เสียหงุดหงิดทั้งวันก็เลยทําให้ขับรถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุแม้จะเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยนะแต่มันก็ทําให้ยิ่งหงุดหงิดอารมณ์เสียก็ไปใหญ่ที่เรามักจะบอกว่าที่เรามักจะรู้สึกว่าโอ้ยวันนี้ทั้งวันแย่เลยซวยทั้งวันเนี่ย มันอาจจะเริ่มจ้นจากการที่เราเริ่มตอนเช้าเริ่มกิจวัตรประจําวันไม่ดีนะแต่สมมุติว่าเหตุการณ์นี้เราเปลี่ยนใหม่นะว่าเกิดพ่อเนี่ยเขาตื่นขึ้นมาแล้วเขาอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแล้วเขาอาจจะไม่ได้เปิดข่าวดูโทรทัศน์แต่ว่าเขานั่งสมาธินะหรือว่าทําใจสงบ เมื่อมากินข้าวลูกทำจานชามหรือทำแก้วแตกแต่เนื่องจากพ่อเนี่ยไม่มีความหงุดมาก่อนแม้จะมีแม้จะไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ลูกทำแต่ว่าก็ไม่รู้สึกฉุนเฉียวอะไรก็พูดเตือนลูกดีๆว่าอย่ากินอาหารก็ให้ตั้งใจในยาซุ่มซ่ามก็ไม่เกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกันเรื่องทะเลาะกัน หรือมีปากเสียงกันบนโต๊อาหารถึงเวลาพ่อก็ไปเอากระเป๋าเอกสารก็จะไม่ลืมเอกสารสำคัญที่เอามาอ่านเมื่อคืนก็เก็บก็เอกสารนั้นใส่กระเป๋าแล้วก็ลงไปทำงานถ้าลงไปพาลูกไปส่งที่โรงเรียนก็ไปส่งได้เรียบร้อยดีนะไม่มีสาย ไปถึงที่ทำงานประชุมก็ประชุมตรงเวลาเอกสารก็เตรียมมาพร้อมการประชุมก็ราบรื่นนะวันนั้นก็งานการก็สําเร็จทำงานมีความสุขกลับมาบ้านก็ไม่มีความหงุดหงิดไม่เพราะนั้นก็เลยขับรถได้ราบรื่นปลอดภัยวันนั้นทั้งวันก็เรียบร้อยดีนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากการที่ลูกนี่ทำ แก้วแตกนะแต่ไม่เป็นเรื่องใหญ่อะไรนะเพราะอะไรก็เพราะว่าพ่อนี่เขามีมีสติเขาไม่มีความฉุนเฉียวเรื่องเล็กๆ ก, ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ไม่สลักสำคัญอะไรอันนี้เพราะว่าเขาเริ่มต้นแต่เช้าด้ดีเขาไม่เพียงแต่อ่านน้ำล้างหน้าแปรงฟันเขายังทำสมาธิหรือว่าทำใจสงบ ก็สามารถที่จะรับมือเหตุการณ์ต่างๆได้ด้วยดีอ่าเนอันนี้ก็ยกภาพสองภาพขึ้นมาเพื่อให้เราเห็นว่าบางทีเนี่ยการเริ่มต้นในตอนเช้านี่ถ้าเราเริ่มต้นไม่ดีแล้วเนี่ยมันก็พันพานทำให้รวนเสียไปหมดเลยแล้วที่จริงจะไปโทษจะไปโทษต้นตออันแรกก็ไม่ได้คือลูกนี่ทําแก้วแตก ถ้าหมามคนที่เป็นพ่อเนี่ยมีสตินะมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะแต่ถ้าไม่มีสติแล้วเนี่ยมันก็ทำให้รวนทำให้เสียทำให้กระทบไปหมดนะเรื่องนี้จะไปโทษลูกคงไม่ได้นะเพราะว่าลูกก็เป็นเพียงแค่ปัจจัยภายนอกแต่ถ้าพ่อนี่มีสตินะหรือว่ามีใจที่ไม่หงุดหงิดมาเป็นพื้นฐานแล้วเนี่ยมันก็ไม่เกิดอะไรนะต่อเนื่องตามมา วันนั้นเห็นไหมว่าการที่เราเริ่มต้นตอนเช้าด้วยดีเนี่ยนะมันจะทําให้อะไรดีๆตามมาอีกมากมายแต่ถ้าเริ่มต้นไม่ดีแล้วนี่มันก็จะมีเรื่องราวกระทบกระทั่งเสียกันเป็นขบวนเลยคนมักจะบอกว่าเวลาซวยนี่มันสวยทั้งวันเลยก็เพราะเหตุ น, นี้แหละนะเพราะว่าใจเนี่ยพอพอใจหงดหงิด ใ, ใจ มีโทสะแล้วเนี่ยหรือเครียแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะรับมือกับกับสิ่งที่ไม่คาดฝันได้หรือว่าแม้จะมีสิ่งที่พอจะคาดฝันหรือเป็นไปตามชี่ประจำวันแต่ว่าเกี่ยวข้องกับมันไม่ถูกต้องก็กลายเป็นปัญหาได้อันนี้เราก็เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยนะสิ่งที่เป็นกุศล น, นะถึงแม้จะไม่คุ้นเคยบางคนก็ไม่ เพือคุ้นกับการตื่นเช้าแต่ตื่นเช้านี่สำคัญนะอันนี้คนโบราณเขาเรียกเป็นยามสามนะยามสามคือยามสุดท้ายยามนี้แหละที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสู้นะหรืออดีตเจ้าชายสิทธัตถานี่ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้ายามนี้แหละก่อนที่จะสว่างท่านก็บำเพ็ญเพียรมาตั้งแต่ตั้งแต่เย็นนะเลือกยามหนึ่งยามสอง แลพะพอยามสามนี่ท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์เป็นพระพุทธเจ้าเพราะตัดสู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเพรา ะ, ะนั้นยามหรือเวลาช่วงนี้เป็นเวลาที่เหมาะนะเหมาะกับการที่เราจะบําเพ็ญเพียรทางจิตเพราะว่าสมองนี่ยังไม่ฟุ้งซ่านมากคือถ้าสว่างแล้วเนี่ยสมองก็จะเริ่มทํางานแล้วแล้วการทํางานของสมอง มันทำให้คนจำนวนมากเนี่ยฟุ้งซ่านได้ง่ายเพราะว่าฝึกมาอย่างนั้นนะในช่วงนี้เนี่ยสมองยังไม่ตื่นตัวมากนะแต่ว่าจิตสามารถที่จะทำงานได้ดีเราสามารถที่จะรู้ทันหรือเห็นความนึกคิดจิตใจได้ถ้านอาจารย์พรท่านเรียกว่าช่วงนี้คือช่วงที่น้านี่อย่างแก้วน้านี่ยังไม่ค่อยมีน้าเท่าไหร่คือมันยังว่างอยู่ถ้าสว่าง พอสว่างหรือใส่เลยเนี่ยมันก็เหมือนกับแก้วที่มีน้ํำครึ่งหรือค่อนแล้วจะเป็นตอนเย็นก็เหมือนกับเป็นแก้วน้ําที่เต็มแล้วจะเติมอะไรเข้าไปไม่ค่อยได้แต่ตอนนี้เนี่ยแก้วน้ำอย่างว่างเติมอะไรเข้าไปก็ได้อยู่ที่ว่าเราจะเติมอะไรถ้าเราเติมสิ่งที่ดีก็รับได้เต็มที่นะนั้ น, น, นช่วงเวลานี้ก็เหมาะกับการที่จะดูจิตแล้วก็ฝึกใจหรือว่าทําสมาธิ หรือว่าจะน้อมนึกสิ่งที่เป็นเป็นกุศลก็ก็ดีเหมือนกันและพอถึงเวลาพอใกล้ลุ่มสว่างเนี่ยจิตใจเราก็จะชื่นบานนะเวลานี้เนี่ยมันก็เป็นเวลาที่เราจะมีโอกาสได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะของของท้องฟ้าที่มันมืดแล้วมันก็กลับสว่างขึ้นอาการที่พระพุทธองค์ได้บรรลุธรรม สูงสุดในยามนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่สําคัญกันนะเพราะว่าพอพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าสักพักเนี่ยมันก็สว่างโลกทั้งโลกก็สว่างไม่ใช่แค่สว่างด้วยแสงอาทิตย์เท่านั้นนะแต่ว่าสว่างด้วยแสงแห่งธรรมที่พระองค์ได้ค้นพบแล้วก็นํามาเผยแพร่นํามาสอนนะแก่ชาวโลกแล้วเราก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะก็คือว่า พอฟ้าสางแล้วก็เริ่มสว่างในีใจเราก็สว่างไปด้วย เ, เวลานี้เป็นเวลาสำคัญมันสามารถเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจหรือเปลี่ยนชื่เอเราได้เหมือนกันถ้ามีคนบางคนี่ชีวิตเขาเปลี่ยนนะก็ตอนนี้สว่างนี่แหละจะว่าเปลี่ยนก็ไม่ถูกนะก็คือว่าเกิด เ, เกิดได้คิดขึ้นมาก็คือเขาเป็นคนที่ ประสบความสำเร็จในชีวิตนะแต่ว่าไม่ประสบความสาเร็จในเรื่องของชีวิตส่วนตัวนะเรื่องความรักเรื่องคู่ครองและตอนหลังเนี่ยพอพอมีปัญหาเรื่องงานการมากระทบก็รู้สึกแย่คือคนเรานี่พอถ้ารู้สึกแย่ในบางเรื่องแล้วเนี่ยเรื่องอื่นมันก็ทำให้แย่หรือว่ารวนไปด้วย แกก็เครียดมากนะผิดหวังในชีวิตรู้สึกท้อแท้นะรู้สึกว่าตัวเองนี่มันไม่ประสบความสุขในชีวิตเอาเลยทั้งนี้ใ้ตัวเองนี่ก็มี อ, ะ, อะไรดีๆหลายอย่างเนี่ยแต่คนเราพอรู้สึกว่าแย่แล้วเนี่ยมันก็เห็นชีวิที่มันแย่ไปหมดกลางคืนนั้นเขาก็นอนไม่หลับกินเหล้าเศร้าใจก็ถึงจุดนึงก็คิดฆ่าตัวตาย ตอนนั้นเขาอยู่ในในคอนโดนะตึกสูงที่กรุงเทพพอจมอยู่ในพอจมอยู่ในความสิ้นหวังเนี่ยก็คิดอย่างเดียวค่าตัวตาย แ, ตแล้วก็จะโดดตึกพอเปิดประตูเดินมาที่ระเบียงมันก็พอดีกับช่วงที่ฟ้าสางพอมองเห็นฟ้านะเบื้องหน้านี่มันค่อยๆเริ่มสว่างเริ่มเห็นแสงเงินแสงทอง ก็ได้คิดทันทีเลยนะเกิดสติขึ้นมาว่าโอ้ชีวิตนี้มันไม่มันไม่ได้มันไม่ได้เลวร้วายไปไปไปทั้งหมดหรอกนะแม้แต่แม้แต่กลางคืนที่มืดมิดเนี่ยในที่สุดก็ยังสว่างได้ชีวิตเขาก็มันก็น่าจะเป็นน้ำอย่างนั้นเหมือนกันมันมีโอกาสที่จะสว่างสวัยได้พอได้คิดอย่างนี้เกิดสติขึ้นมาก็เลยตัดสินใจไม่ฆ่าตัวตาย แล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ม า, าทำอะไรหลายอย่างนะที่มีประโยชน์แต่ก่อนก็เป็นดีเจตอนหลังก็มาเป็นวิทยากรช่วยเหลือเรื่องคนปลดนี้ช่วยเหลือเรื่องช่วยเหลือคนเรื่องการวางแผนในเรื่องการบริหารนี้แล้วก็ช่วยคนได้เยอะนะอันนี้ก็เพราะเขาการที่เขา ไม่ไม่รู้ไม่ไม่ตัดสินใจนะทำร้ายตัวเองหรือคนเราเนี่ยเวลามีปัญหามากระทบเนี่ยหรือมารุมเราเนี่ยนันจะรู้สึกว่ามันชีวิตนี้ไม่มีหวังแล้วแล้วหลายคนก็เลิกที่จะฆ่าตัวตายแต่จริงๆถ้าหากว่าได้คิดหรือมีสติสักหน่อยเนี่ยก็จะเห็นว่าชีวิตนี้มันยังมีหวังอยู่ ปัญหาทุกปัญหามีทางออกแต่ว่าเป็นเพราะจมอยู่ในจมอยู่ในปัญหานะก็มือนกัอยู่ในกลาเนี่ยมันก็เลยมองไม่เห็นทางออกแต่ถ้าหากว่าได้คิดสักหน่อยเนี่ยหรือว่าเกิดมีสติว่าขึ้นมาเนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นสติเป็นเรื่องสําคัญมากนะมันสามารถจะช่วยทําให้เราหลุดออกจากความสิน้นหวังและสามารถที่จะอะ สามารถช่วยยับยังชั่งใจไม่ให้ทำสิ่งที่สินคิดได้แต่คนเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าของสติเท่าไหร่นะเราไปเห็นคุณค่ากับสิ่งอื่นเยอะแล้วก็สิ่งนอกตัวและการที่เราไม่มีสติเนี่ยก็ทาให้เราจมอยู่ในความทุกข์จบอยู่ในความโกรธและทำให้เราไม่สามารถจะมีความสุขได้แม้จะมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย แล้วก็อย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยแม้แต่เวลาอยู่กับตัวเองทั้งๆ ท, ท, ที่มีทุกอย่างที่จะช่วยทําให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขได้ก็กลับไม่มีความสุขกระสับกระส่ายเบือ่อเงาเซ็งอันนี้คือปัญหาของคนที่ก็ไม่สามารถจะอยู่กับตัวเองได้แต่ถ้าว่าเรามีสติขึ้นมาเนี่ยนะมันก็เหมือนกับแสงสว่างที่ทําให้ขับไล่ความมืดออกไปแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออ ช่วตนี้มันก็มีความสุขได้นะเราอยู่กับตัวเองเราก็มีความสุขได้ความสุขมันเป็นเรื่องไม่ยากนะสามารถที่จะสัมผัสรับรู้ได้ตลอดเวลาที่เรามาปฏิบัติที่เราจะมาปฏิบัติกันในช่วงอาทิตย์นี้ก็คือการทําให้เราเนี่ยนะมีสติมีความรู้สึกตัว ถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าฉันก็มีสติอยู่แล้วฉันก็มีความรู้สึกตัวอยู่แล้วแต่ความรู้สึกตัวที่เรามีเนี่ยมันเป็นความรู้สึกตัวอาจจะสัก 40-50 ้าเปอร์เซ็นเท่านั้นแในทางการแพทย์เนี่ยหรือในทางสาธารณสุขเนี่ยนะะเพียงแค่ฟื้นจากสลบสล่นี่ก็ถือว่ารู้สึกตัวแล้วฟื้นจากการลมยาก็เราก็เรียกว่ารู้สึกตัว แ, วแต่รู้สึกตัวนี้อย่างนี้เนี่ย ก็ยังไม่เพียงพอนะก็เพียงแค่เออช่วยตัวเองได้อาบน้ําล้างหน้ากินข้าวได้แต่ว่ามันไม่เพียงพอที่จะทําให้เราสามารถจะรับมือกับอารมณ์ต่างๆที่มากระทบความรู้สึกตัวที่เรารู้จักเนี่ยมันเป็นเพียงเพียงแค่ความรู้สึกตัวในการดําเนินชีวิตตามปกติแต่สิ่งที่เราจําเป็นต้องมีคือความรู้สึกตัวที่มากกว่า น, นั้นเพราะาคนที่เขา เพราะในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะรู้สึกตัวสี่สบห้าสิบเปอร์เซนตะที่เหลือก็จมอยู่ในความคิดจมอยู่ในอดีตหรือว่ากังวลกับเรื่องอนาคตจมอยู่ในโลกแห่งอารมณนะ์ซึ่งมันทำให้เราลืมตัวความรู้สึกตัวที่เรามีเนี่ยมันสลับกับความลืมตัว หรือความไม่รู้ตัวเนี่ยบ่อยมากนะมันทำบางทีเ้าเปลี่ยนมันก็ว่าคนที่ความรู้สึกตัวแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับคนที่ละเมอนะชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเหมือนคนละเมอนะรู้สึกตัวนิดๆ ห, หน่อยสร็จแล้วก็จมหายเข้าไปในความคิดคนละเมอเนี่ยเขาจมหายเข้าไปในในความฝันนะแล้วเขาก็สามารถที่จะเดินไปไหนมาไหนได้ เร า, า จ, จะไม่ถึงขั้นนั้นนะแต่ว่าก็ทํานองนั้นแหละจมอยู่ในโลกแห่งความคิดจมอยู่ในโลกแห่งอารมณ์เสร็จแล้วก็ทําให้ลืมตัวถ้ามันเป็นอารมณ์เล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรนะั้นเราก็หลุดจากอารมณ์นั้นได้แต่ถ้ามันเป็นอารมณ์อารมณ์ก้อนใหญ่ๆเนะช่นความโกรธความสิ้นหวังมันก็ทําให้เราลืมตัว แล้วคนเราพอลืมตัวแล้วเนี่ยทำอะไรก็ได้นะเช่นพอโกรธมากๆเนี่ยก็สามารถจะทําร้ายคู่ครองของตัวได้นะสามีก็ทําร้ายภรรยาภรรยาก็ทําร้ายสามีด้วยความโกรธนะรู้สึกถูกเจ็ดยามรู้สึกเสียหน้าหรือว่าผิดหวังแม้แต่ลูกนี่ก็ฆ่าแม่ได้หรือฆ่าพ่อได้เพราะความโกรธ หรือจะเป็นเพราะว่าลืมตัวเนื่องจากติดเหล้าเมายาเมายาบ้า น, นี่ก็ทำให้ลืมตัวนะก็ฆ่าแม่ฆ่าพ่อได้ถ้าความลืมตัวนี่มันน่ากลัวนะมันทำให้เราทำทุกอย่างก็ได้รวมทั้งการฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสตินะเราก็จะ ไม่หลงลืมนะหลงลืมในที่ว่านี่ไม่ใช่หลงลืมเรื่องอื่นนะแต่ว่าคือลืมเรื่องอื่นนี่ก็ลืมได้แต่ว่าอย่าลืมตัวนะเราจะลืมโทรศัพท์มือถือนะเราจะลืมกุญแจรถอันนั้นเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าลืมตัวแล้วนี่อันตราย สามารถจะกลายเป็นฆาตกรสามารถที่จะทำอะไรที่เร็วๆไล ๆ, ๆก็ได้แล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาจมอยู่ในอารมณ์ที่ที่ที่หนักหนาเนี่ยจะมีสติหรือรู้ตัวเนี่ยต้องอาศัยสิ่งภายนอกอย่างเช่นผู้หญิงคนที่ว่าเนี่ยพอเขาเห็นแสงสว่างเขาถึงได้สติหรือบางคนเนี่ยมีความโกรธมากๆเนี่ย ต้องมีคนมาเตือนนะถึงจะมีสติยังมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยแกไปรับลูกที่โรงเรียนนะเป็นโรงเรียนมีชื่อมากและธรรมดาโรงเรียนมีชื่อเนี่ยก็ต้องหาที่จอดรถยากนะโรงเรียนเขาเขามีระเบียบให้ขับรถวันเวยแกก็ใช้วิธีซิกแซกนะไปเข้าทางทางออก แทนที่จะเข้าทางทางเข้าก็ไปเข้าทางประตูออกเข้าทางประตูออกมันก็เลยสามารถจะไปถึงที่จอดรถได้ได้ไวไม่ต้องไปไปรอรถติดพอได้ที่จอดรถก็รีบจอดทันทีเพราะว่าเป็นที่จอดรถคันสุดที่จอดรถสุดท้ายคันที่เข้ามาเขาเขาขับมาตามกดเขาก็ไม่พอใจที่ถูกแย่งที่จอดรถไปเขาก็ลงมาต่อว่าผู้ชายคนที่ แสงเนี่ยก็เถียงแล้วพอถูกต่อว่าก็โมโหผงนึงในใจว่ามึงไม่รว่ากูเป็นใครนะก็เป็นนายพลถ้าพอถู ก, ถ, กถูกต่อว่างนี้เนี่ยนะก็โกรธนะพูดขึ้นมาเลยคุณไม่รวยไม่รวยกูเป็นใครคนที่ต่อว่าก็บอกว่าผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแต่คุณทําผิดกฎนะก็ว่า คนที่เป็นนายลที่ไม่เคยถูกต่อว่างั้นก็โกรธในปืนในในรถนี่มีปืนก็คว้าปืนมาแล้วก็ลงจากรถแล้วก็เดินตามหลังผู้ชายคนที่มาต่อว่าหมายจะยิงนะเนี่ยนี่แค่นี้เงนะแค่ต่อว่าเรื่องที่จอดรถนี่จะไปยิงคนตายเพ่นในตอนนั้นมันมีมันมี พนักงานขับรถของโรงเรียนอยู่ตรงนั้นพอดีเขาเป็นพลเมืองดีนะเขาก็คิดว่าต้องเข้าไปห้ามถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะไปห้ามอย่างไรคนที่มีปืนอยู่ในมือแล้วก็กำลังโกรธเนี่ยแล้วผู้ชายคนนี้ก็น่าสนใจนะเขาก็เอามือแตะนะแตะตัวผู้ชายคนนี้เจ้าคนที่มีปืนนะ่ะนะทหารคนนี้ แก็บอกว่าคุณพี่ครับคุณพี่มารักลูกไม่ใช่หรือครับพอพูดเช่นนี้เนี่ยผู้ชายคนนั้นหรือทหารคนนั้นก็มีสติขึ้นมาทันทีเลยความโกรธนี่มันหลุดหายไปเลยนะเพราะได้สติว่าเนี่ยถ้าไปฆ่าเขาเนี่ยนะเดือดร้อนถึงลูกด้วยไอ้ความรักลูกเนี่ยก็ทําให้ได้สติขึ้นมาพอได้สติขึ้นมาหายโกรธเลยนะเอาปืนไปเก็บ แล้วคนส่วนใหญ่ในเวลามีอารมณ์โกโรธหรืออารมณ์ครอบงำมากๆเนี่ยมันยากที่จะมีสติด้วยตัวเองนะต้องอาศัยสิ่งภายนอกหรือต้องอาศัยคนภายนอกแต่ว่าคนที่เขาไม่ประมาทเนี่ยหรือคนฉลาดเนี่ยเขาจะไม่รอก็จะไม่หวังพึ่งการเตือนจากคนภายนอกเขาต้องหาทางที่ เสริมสร้างสติให้เข้มแข็งเนะพราะถ้ามีมสติภายในตัวเองที่รวดเร็วฉับไวแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีอารมณ์คลุ้มคลั่งหรือโกรธมากมายขนาดนี้เพียงแค่ห ง, งุดหงิดเพียงแค่รู้สึกฉุนเฉียวขึ้นมาก็รู้ตัวแล้วแล้วรู้ตัวแล้วก็สามารถที่จะปลดเปลื้องใจออกจากอารม์นั้นได้คนเรานี่ถ้าไปรอให้คนอื่นมาเตือนสตินะมันอาจจะสายไปก็ได้เพราะว่า อาจจะทําผิดพลาดไปแล้วถึงค่อยมารู้ตัวหรือว่าระบายอารมณ์ออกไปแล้วถึงค่อยมารู้ตัวคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะไม่มีสติไวพอที่จะเตือนตัวเองได้หรือพาจิตให้หลุดออกจากอารมณ์ในขณะที่อารมณ์นี่มันยังแค่ก่อตัวอยู่แต่พวกเราเนี่ยนะถ้าเรามาปฏิบัติเนี่ยก็เชื่อแน่ว่าเราจะมีพื้นฐานพอ ในการที่จะเตือนตนได้ในการที่จะทำให้ความรู้ตัวกลับคืนขึ้นมาและทำให้เราสามารถที่จะหลุดจากความทุกข์ได้ถึงที่สุดแล้วความทุกข์คนคนเราเนี่ยมันก็เกิดเพราะความลืมตัวนะเกิดขึ้นเพราะความหลงไอ้หลงกับลืมนี่มันคู่กันนะคนไทยก็ฉลาดนะใช้คำว่าหลงลืมลืมหลงเพราะมันคู่กัน สิ่งที่ทําให้เราไม่ลืมก็คือมีสติสิ่งที่ทําให้เราหายหลงก็คือสัพพัญญาให้สติสัพพัญญานี่คู่กันซึ่งถ้าหาว่าเรามีเราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้เราไม่จมอยู่ในความทุกข์ทำให้เรารู้จักอารมณ์ได้เพราะความทุกข์ส่วนใหญ่เกิดจากอารมณ์เกิดจากการปรุงแต่งเกิดจากการคิดฟุ้งซ่านนะคิดวกไปวนมาแต่ถ้าเรามีสติเรารู้ตัวขึ้นมา ก็เหมือนกับว่าเราสลัดความคิดนั้นทิ้งไปนะเราสลัดอารมณ์นั้นทิ้งไปหรือผู้อีย่งคือเราปล่อยมากกว่าไม่ต้องสลัดเราแค่ปล่อยหรือวางปัญหาคือเราไปยึดมนันเอาไว้แล้วเราก็ทุกข์ด้วยอารมณ์เหล่านั้นไม่ต้องทำอะไรมากเพียงแต่แค่ปล่อยแค่วางนะใจก็จะโปร่งร่วงเบาสบายชีวิตก็จะมีความสุขนะถึงแม้ว่ารอบตัวเขาจะเป็นนะจะวุ่นวาย จะอึงคนหนึงหรือว่าจะไม่พออกพอใจเราก็ตามนะแต่เราก็สามารถที่จะมีจิตใจที่โปร่งเบาไดนะ้อันนี้ก็ฝากาไว้เช้านี้น ะ, ะกลับพระพร้อมกัน